พระธรรมเทศนาแผ่นที่73็สาลำดับที่ย1สิบอ็ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27สเจดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบแปดมีชื่อเรื่องว่าอยาหวังแต่พึ่งบุญผู้อื่นวันนี้เป็นวัน ที่27่กุมภาพันพธ์พุทธศักราช2558รห25วันนี้เป็นวันขึ้นสิบค่ำเดือนสี่สห้าคำหน้าเป็นวันมาฆบูชาจากนี้ไปสามสี่วันส4 5ี่ห้าวันเป็นวันสำคัญ ยิ่งในทางพระพุทธศาสนาแต่สำหรับวัดของเราก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณของวัดที่หลวงพ่อได้พูดย้ำกล่าวมาหลายครั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเรากา็ทำพร้อมกันกับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธอุดมมงคลสอง ที่อยู่ทางขวามือของหลวงพ่อบรรจุบนพระเสียนแต่จากนั้นก็ได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทําบุญอุทิศเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลภายในวัดของเราอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณในงานที่ผู้ที่มาร่วมสร้างวัดของเราตั้งแต่เริ่มแรก <c oughs> จนถึงบัดนี้ใช้เวลาหลายปี ผู้ที่มีอายุสังขารก็ร่วงรยไปตามอายุสังขารเกิดแก่เจ็บตายแต่พวกเราอยู่เบื้องหลังก็ควรจะทำบุญบุญอุทิศส่วนกุศลต่อมิต่อผู้มีอุปกรณคุณเหล่านั้นที่ท่านให้ทุนม า, าก็หลายท่านให้ทุนมาเพื่อสร้างวัดอย่างคุณโยมเอ สายหยุดคุณหญิงโมลีขอมันเรล่านีนะ้ที่ท่านให้อุปกรณ์ท่านให้น้ําระบบน้ําของเราถัางน้ําระบบน้ําที่เราใช้อยู่ใช่แล้วก็กําแพงเนะี่ยหยุดที่หน้าวัดของเรากเนี่ยแหละที่หลวงพ่อไม่ระบุพวกเราคงไม่รู้ว่าผู้มีอุปกระคุณเหล่านั้นนะคือท่านผู้ใดกี่มากมาย เพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบายอย่างพวกเราที่ได้มานั่งปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญานะในวัดแห่งนี้ได้รับความสะดวกสบายก็เพราะว่าท่านได้ลงทุนไว้ก่อนให้พวกเราแล้วพวกนั้นที่พวกเราที่อยู่เบื้องหลังยังมีชีวิตอยู่พวกเราได้ทําบุญ ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธทเจ้าท่านได้ตรัสได้พูดได้กล่าวไว้ว่าเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปการะคุณอย่างพ่อแม่ทวงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะอันนี้เราไม่ใช่พ่อแม่แต่ว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณกับพวกเราพวกเราก็ควรจะทําบุญและอุทิศส่สนวนกุศลเพราะนั้นหลวงพ่อได้กําหนดวัน ที่สี่ตรงกับวันมาคาบูชาวันที่สมตอนเย็นจะมีการเจริญพระพุทธมนตรแล้วก็วันที่สวันที่สี่ตอนเช้าก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายพัฒหารพระสงฆ์แล้วก็พร้อมกันอุทิ่สวนกุศลศ ต, ต่อผู้มีอุปกราะคุณอย่างที่ทั้งผู้ได้ ก, ดกล่าวแล้วก็พร้อมกันถ้าหากว่ามีจตุปจัจจัยมากน้อยในวันนั้น หลวงพ่อก็คิดว่าเราจะลักษณะจัดเป็นชมรมหรือจัดเป็นภาพป่ากองย่อมๆเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งที่พวกท่านเหล่านั้นที่ดวงวิจาาณ์เหล่านั้นจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อได้รับปากไว้แล้วนั้น ลุงพ่อก็จะรวบรวมเจตุปใจเหล่านี้ลหละเพื่อนำเข้าบัญชีแล้วก็เก็บไว้ในเมื่อในมามีการก่อสร้างเมื่อไร่เราก็จะได้นำเจตุปใจเหล่านี้เข้าไปสมทบเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาต่อไปในงานวันนั้นก็คงวันที่3มีนาคมเวลา 19.00 นก็ร่วมทมวัดเจริญพพุทธมนต์ เวลา 20:00 นก็นนคงจะมีธรรมเทศนาหนึ่งกันถ้าว่ามีครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาเนื้อเหนือกว่าหลวงพ่อาจะ เ, เป็นผู้มีผู้จะแสดงธรรมเทศนาได้ก็เอานิมนต์แต่ถ้าว่าไม่มีใครก็หลวงพ่อเองฮะวงพ่อแล้วคณะัตธายาโยมลูกหลาน <c oughs> มาทุกคนมาที่วัดหลวงพ่ อ, ห ล, พอหลวงพ่อจะได้กล่าว ปาร์บเรื่องการเรื่องงานเรื่องแนวความคิดของหลวงพ่อให้กับคณะจิตญาณุสิทธิ์คณะศรัทธาญาโจมทั้งหลายได้ฟังฮนานทีพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันะออมาพบมาเห็นกันมาอย่างน้อยก็โอ้หลวงพ่อของเราเนี่ยอปีนี้แก่กว่าปีที่แล้วอแก่กว่าปีที่แล้วมากว่าก็จะได้เห็นกันฮะหลวงพ่อก็จะได้พูด ความเป็นมาความเป็นไปปารพเรื่องงานเรื่องการเรื่องการเป็นอยู่กับสิทธิอนุสิทธิลูกหลานครั้งหนึ่งในวันที่สามตอนเย็นแต่วันที่สี่ตอนเช้าก็จะมีการถวายพระทหารร่วมกันอุธิส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะก็คงจะไม่มีอะไรเพียงจนยอ่อเพียงแค่นั้นหละนี่นก็คือถ้าเราจะนา แนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์องค์หลวงตา ม, มาสาธกหรือมาเป็นตัวอย่างก็ถือท่านทําบุญอุทิศสมกุศลเปิดโลกกระทาดอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินทุกปีหลวงพ่อก็ได้เข้าไปร่วมทุกปีนะแต่ไม่ใช่เข้าไปร่วงหลวงพ่อเขาจะตุปัจจัยเข้าไปร่วงก่อนที่ท่านจะทําบุญทุกครั้งหลวงพ่อจะได้นําจตุปัจจัยเข้าไปสมทบท่าน เป็นมีส่วนร่วมพูดง่ายๆมีส่วนร่วมในการทำบุญกับองค์ท่านหลวงพ่อไม่เคยลดละเรื่องว่าหลวงพ่ อ, อยังให้ความสำคัญว่าหลวงตาจะทำถูกหลวงพ่อเห็นด้วยเพราะนั้นมาถึงวัดของเราจุดนี้พวกเราก็ควรจะทำบุญทิฏอย่างที่องค์หลวงตาพาดำเนินพาปฏิบัติมาหลวงพ่อคิดว่าท่าน พาพวกเราเดินไปในทางที่มีน้ำใจมีเมตตาให้รู้จักพระคุณให้รู้จักพระคุณของคนใครทาบุญคุณกับเราเราเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ควรจะสนองลำลึกถึงพระคุณท่านเหล่านั้นถึงท่านเหล่านั้นจะล่วงรับรับขันไปดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นไปอยู่รัชานที่ใด ถ้าว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นถ้ามีความทุกข์โย่ถ้าว่าจะมีส่วนที่จะให้เราช่วยพวกเราช่วยพวกเราก็พร้อมยินดีจะอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกดวงวิญญาณเหล่านั้นขอให้มีความสุขพ้นจากทุกข์โดยลําดับตามความตามอัตภาพที่จะเป็นไปได้นะี่แหละอันนี้ก็คือการ จะทำบุญในวันที่สามที่สี่ที่จะถึงนี้นะ <c oughs> แต่ถึงยังไงก็อย่างหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเราจะไปสปรับตัวของเราเองทุกคนเน่ะที่นั่งอยู่ที่นี่นะเราจะไปคิดว่าเมื่อเราหมดลมแล้วเมื่อเราตายไปแล้วผู้อื่นจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเรา อันนั้นมันคิดบางทีอาจจะเฝาไปก็ได้ต่อไปภายภาคหน้าดินฟ้าอากาศพทธศาสนาพี่น้องประชาชนศึกสงครามโรคระบาดมีตั้งเยอะแยะที่จะทำให้พวกเรารัศมีสายกระเซ็นกระายอันนี้เราคิดไปในอนาคตถ้าไม่มีอะไรก็ดีถ้ามันมีอย่างนั้นเกิดขึ้นเราจะไปมุ่งหวังอย่างนั้นทีเดียว ก็ไม่ไม่ไม่าจะถูกเพราะฉนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านจะตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมคุณงามความดีออันไหนคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแนหะให้อยู่ในจิตในใจของพวกเร า, เาไว้อให้สม่ําเสมอที่ในคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนั <c oughs> ่นแหละอถึงย่างไงก็ไม่เป็นมงคลสําหรับพวกเรา ถ้าเราคิดดีทาดีพูดดีแล้วเราอยู่ในสถานที่ใดเราก็มีความสุขอยู่ในใจนึกคิดขึ้นเมื่ อ, อไรใจของเราก็จะมีแต่ความากระยิบเยิ้ ม, ย, มย่องอย่างที่องค์หลวงตาเคยพูดสับนี้นะ่ะจิตในจิตในใจของพวกเราเพื่ออะไรเพราะเราได้ทำแต่คุณงามความดีแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ทำ ความดีไว้เอเมื่อถึงคราวจวนเจียรอสุดท้ายของพวกเราเราระลึกขึ้นมาไม่รู้จะระลึกถึงอะไร เ, เพราะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เ, อเป็นเรื่องราวที่จะต้องล้ำลึกถึงเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นฮ เ, เราไม่ได้เอ า, เ, อาเรื่อง ความหายนตมาพูดให้กันฟังมาแนะนำกันฟังมาให้แนะนำให้กลัวไม่ใช่ไม่ใช่แนะนำให้กลัวนะแนะนำให้กล้านะกล้าเผชิญฮะแต่ถึงยังไงก็เถอะนะคาว่าเผชิญคำนี้นะเผชิญต่อมรณะภัยเพียงแต่ว่าเราเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบบัณฑิตนักปราช ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้แนะนาสั่งสอนพวกเราพวกเราก็พอที่จะรู้ทางนี้ทีไล่รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่เหรอจากนั้นก็เราก็เดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินถ้าเราไม่พูดไม่กล่าวอะไรให้ฟังเลย เราก็อาจจะลุ่มหลงมัวเมากับโลกวัฏสงสารจนไม่มีจนไม่ลืมหูลืมตาคำว่าอยากแล้วก็อยากอยากจะได้ให้มันเป็นของตัวเองทั้งหมดแต่อยากมาเพื่ออะไรแต่ร่างกายร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราเราบริหารพอประมาณบริหารไปในทางที่ถูกต้องางทางที่เป็นธรรม พอสมมาสมควรฮะ เ, เพียงแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอกระมังไม่ควรจะทุกจนเกินไปอแต่ก็ไม่ควรจะให้ลําบากจนเกินไปควรแแสวงหาซัพย์อมาเลี้ยงอัตภาพาแต่ขอไม่ให้มันทุกจนเกินไปจนไม่ให้ติ่นล้นจนเกินไปออใครเขาเ้าแบบรู้จัก ประมาณในการ ส, ะสะแวงหาในการดำเนินชีวิตของตนเองถ้ามันจะรวยมันรวยมาพอแลงแล้วล่ะเราจะมาเกิดทำไมในที่จนๆถ้ามันมีบุญที่จะรวยนูนเราไปเกิดกับลูกเศรษฐีพ่อแม่เป็นเศรษฐีเข้าไปเมื่อกันรวยแล้วจะไปยากอะไรแต่มาเกิดเป็นคนจนก็นอย่างนี้ละ่ะปากกัดตีนถีเราควรจะให้มันเหมือนกับเป็นเศรษฐีอย่างนั้นก็ไม่ใช่ แต่เราจะไปงอมืองอเท้าอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเราก็วิ่งเต้นขนขวายพยายามทำเต็มที่เท่าที่จะมันขยันอดทนได้ในเมื่อเราทาเต็มที่แล้วก็จะทำยังไงได้เราเกิดมาเป็นคนจนเราเกิดมาจากฐานที่ไม่รวยฮงเราก็จะต้อง ด, ดูตัวเองอีกเหมือนกันเออขาวนี้กรรมคงลิขิตให้มาเกิดอย่างนี้นะเราก็ควงจะทำดีที่สุด ประกอบคุณงามความดีที่สุดทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสำ ม, มาชีพดีที่สุดในเมื่อที่สุดแล้วเกิดเพียงแค่นั่นแะก็น่าจะพอละมั้งนะ้าเราก็โดดโลดเต้นมากเกินไปก็ทุกนะเพราะมันเกินประมาณก็ทุกเหมือนกันน ะ, ะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร